وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا لَقِى سَتَوَتْ لَاءَ الَّتِي رَأَيْنَا لَاحِقًا مَعَ وَلَافِ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا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 จะได้รับการตอบสนองกุลลันนุมิดดะฮาอูลาอัยวะฮาอูลาอิมมินอะตาอ์ร็อบบิกวะมากานะอะตาอ์ร็อบบิกมะห์ซูรอทั้งหมดเราจะสนับสนุนเค้าเหล่านี้และเค้าเหล่านู้นจากการประทานให้ของพระผู้พิบาลของเจ้า และการประทานให้ของพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นมิถูกห้ามแต่ประการโอ้พวกเจ้าไฉนพวกเราจึงให้บางคนเหนือบางคนและอาคิเราะฮ์ยิ่งใหญ่กว่าระดับและยิ่งใหญ่กว่าการให้จงดูเถิดเราได้ทําให้บางคนในหมู่พวกเขาดีเด่นกว่าอีกบางคนอย่างไรและแน่นอน เพราะโลกนั้นมีฐานะยิ่งใหญ่กว่าหลายขั้นและยิ่งใหญ่กว่าในทางดีเด็ดละตัจอัลมะอัลลอฮิอีลาฮันอาคอรฟะตักอดะมดูมันมะคดูลาเจ้าอย่าตั้งพระเจ้าอื่นเคียงคู่กับอัลเลาะห์มิฉะนั้นเจ้าจะกลายเป็นผู้ถูกเหยียดหยามถูกทอดทิ้ง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 อย่าติเตียนพวกเขาและอย่าไล่พวกเขาแต่จงพูดกับพวกเขาด้วยคำที่ดีเพราะพระบัญญัติของเจ้ากำหนดว่าพวกเจ้าจงอย่าเคารพภักดีผู้ใดอื่นนอกจากพระองค์เท่านั้นและจงทำดีต่อบิดามารดาเมื่อผู้ใดในทั้งสองหรือทั้งสองบรรลุเข้าสู่วัย เจ้าจงอยากกล่าวแก่ทั้งสองว่าอูฟและอย่าขู่แขนท่านทั้งสองแต่จงพูดแก่ท่านทั้งสองด้วยถ้อยคําที่สุภาพวะฟิดละฮูมาจะนาหัซลิมีนัรเราะห์มะติวะกัร็อบบิรฮัมฮูมากะมาร็อบบะยานีศอญีเราะห์และจงนอบน้อมถ่อมตนต่อท่านทั้งสองด้วยความเมตตาและจงกล่าวว่าโอ้พระผู้บิบาลของฉันได้โปรดเมตตาแก่ท่านทั้งสอง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 وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا لَجُง ให้สิทธิแก่ญาติที่ใกล้ชิดและผู้ขัดสนและผู้เดินทางและอย่าสรูยสุรายอย่างฟุ่มเฟือย إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا แห่งบรรดาผู้สุรุสุรายนั้นเป็นญาติกับชัยตอนและชัยตอนนั้นเนรคุณต่อพระผู้อภิบาลของมันว่าอิมมาตอริฎันอันฮูมบติราอะเราะห์มะตินมินร็อบบิกตัรญูฮาฟะกุลละฮุมกอลันไมซูราแล้เจ้าผินหลังให้พวกเขาเพื่อแสวงหาความเมตตาจากพระผู้อภิบาลของเจ้า โดยหวังมันอยู่ดังนั้นจงพูดกับพวกเขาด้วยถ้อยคําที่นุ่มนวลวะลาตะญัลยะดะกะมะฆลูละตันอิล่าอุนุกิกวะลาตับสุฏฮากุลัลบัสฏฟะตะกอฎุดะมะลูมังมะห์ซูรอและอย่าให้มือของเจ้าถูกตรึงอยู่ที่คอของเจ้าและอย่าแมมันจนหมดสิ้นมิฉะนั้นเจ้าจะกลายเป็นผู้ถูกประณาม ผู้เศร้าโศกเสียใจอินน รบبك ยับซุรกิซกะลิมินยาชาวะยะกุรอินนฮูกานะบิอะดีฮิคอบีรันบะซีรตะจริงพระผู้บานของเจ้าจะทรงเพิ่มพูนปัจจัยอย่างชีพแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และจะทรงให้ขับแคบถ้าจริงพระองค์นั้นทรงเป็นผู้ทรงรอบรู้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 ถ้าจึงการฆ่าพวกเขานั้นเป็นความผิดอันใหญ่หลวงวะลันตะกอรบุซซินาอินนะฮูกานาฟาฮิชะตันวะซาอัสบีลาละพวกเจ้าจงอย่าเข้าใกล้การผิดประเวณีหรือซินาถ้าจริงมันเป็นการลามกและหวนฐาน ที่ชั่วชาญยิ่ง ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان من نصرا لا พวกเจ้าอย่าฆ่าชีวิตที่อัลเลาะห์ทรงห้ามไว้เว้นแต่ด้วยความเที่ยงธรรม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 وَاوفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا لَا فُقْ ذَاهْ خاوْ กไลซับสินของเด็กกําพราเว้นแต่โดยวิธีที่ดียิ่งจนกว่าเขาจะบรรลุนิติภาวะและจงให้ครบตามสัญญาเพราะแท้จริงสัญญานั้นจะถูกสอบสวน وَأَوْفُوا كَيْ لَإِذَا كُنْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا لَا تَجْمُعْ طُوعَ حَيْ تَمَّ مَعَ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا لا يَعْتَمِدُ فِي شَيْءٍ الَّذِي لَيْسَ لَهُ عِلْمٌ بِهِ فِي ذَلِكَ فِي الْحَقِيقَةِ أُذُنٌ وَعَيْنٌ وَقَلْبٌ كُلُّ هَذَا سَيُحَاسَبُ وَلَا كَمَشِ فِي الْأَضْمَرَ حَ انك لن تخرق الاضوا ولن تبلغ الجبال طولا لا يا เดินบนแผ่นดินอย่างยะโสโอหังแท้จริงเจ้าจะแยกแผ่นดินไม่ได้เลยและจะไม่บรรลุถึงความสูงของภูเขาได้ كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها ทั้งหมดนั้นความเลวของมัน เป็นที่รังเกียจณพระผู้อภิบาลของเจ้า ذلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَمْلُومًا مَّدْحُورًا นั่นคือส่วนหนึ่งจากที่พระผู้อภิบาลของเจ้าทรงประทานความรู้ลงมาแก่เจ้า ละเจ้าอย่าตามพระเจ้าอื่นใดเคียงคู่กับอัลเลาะห์มิฉะนั้นเจ้าจะ <Tit> <-azeema> ทรงเลือกลูกผู้ชายให้แก่พวกเจ้าและพระองค์ทรงเลือกอามารากะห์เป็นลูกผู้หญิงกระนั้นรึถ้าจริงพวกเจ้านั้นกําลังกล่าวคําพูดที่ร้ายแรงอย่างแน่วะลากัดซรรฟนาฟีฮาซัลกุรอานลิยัซกะรูวะมายะซีดูฮุมอิลลาฟุร่าและโดยแน่นอนเราได้ชี้แจงไว้ในอัลกุรอานนี้เพื่อพวกเขาจะได้ดํารึก แต่มันไม่ได้เพิ่มสิ่งใดแก่พวกเขานอกจากการตะเลิกนี้กุลลาวกานะมะอ์ฮุนอาลฮะตุกะมายะกูลูนอิซัลละบตะกออิลัลอัรชซะบีลาจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าหากมีพระเจ้าหลายองค์เคียงคู่กับพระองค์ดั่งเช่นที่พวกเขากล่าวเมื่อนั้นแน่นอนพวกมันจะแสวงหาทางไปสู่พระผู้ทรง พรหมบัลลังก์สุบฮานะฮูวะตะอาลาอัมมายะกูลูนวัลกะบีรอพรหมผู้ทรงมหาบริสุทธิ์และพรหมทรงสูงส่งกว่าที่พวกเขากล่าวทรงสูงส่งอย่างใหญ่หลวงตุซับบิหูละฮุสสะมาวาตุสซับออวัลอัรฎุวะมาฟิฮิวะอิน شیئاً الا یسبح بحمده ولا کلا تفقهون تسبیحهم انه کان حلیما غفورا 찬파 당7 และแผ่นดินและผู้ที่อยู่ในนั้นจะสดุดีด้วยการสรรเสริญพระองค์และไม่มีสิ่งใดเว้นแต่จะสดุดีด้วยการสรรเสริญพระองค์แต่ว่าพวกเจ้าไม่เข้าใจคำสดุดีของพวกเขาแท้จริง พระองค์เป็นผู้ทรงหนักแน่นผู้ทรงอภัยโทษเสมอว่าอิซากะเราะตัลกุรอานะจะอัลนาไบนะกะวะไบนัลละดีนะลายูอ์มินูนบิลอาคิเราะติฮิญาบัมมัสตูเราะะห์เมื่อเจ้าอ่านอัลกุรอานเราได้กางม่านที่ถูกซ่อนไว้กั้นระหว่างเจ้า และบรรดาผู้ไม่ศรัทธาต่อวันปรโลกวะจอัลลาอะลากุลูบิฮิมอักินะอันยัฟกะฮูฟีอาซานิฮิมวะกุรอวะอิซาซักัรตร็อบบะกะฟิลกุรอานิวะฮะดะฮูวัลลาอะลาอดบาริฮิมนุฮูรอฮะร็ออะดะทําฝาปิดบนหัวใจของพวกเขาเพื่อไม่ให้พวกเขาเข้าใจอัลกุรอาน ละเนหูของพวกเขานั้นหนวกและมะเจ้ากล่าวถึงพระผู้บานของเจ้าในอัลกุรอานเพียงงงเดียวพวกเขาก็ผินหลังของพวกเขาตะเลิดนี้นะห์นูอาละมูบิมายัสตัมอูนบิฮิอิซยัสตัมอูนอะลัยกะวะอิซฮุมนัจวาอิซยะกูลุดฎอลิมูน <ội>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 انظر كيف ضربوا لك الامثال فظنوا فلا يستطيعون سبيلا จงดูเถิดมูฮัมหมัดพวกเขายกอูฐหอนแก่เจ้าอย่างไวพวกเขาเดินหลงแล้วพวกเขาจึงไม่สามารถหาทางใดๆได้ وقالوا أإذا كنّا عظامًا ورفاتًا أإنا لمبعوثون خلقًا جديدًا لقد قالوا وا เมื่อเราเป็นกระดูกแล้วผุปร่อนไปแล้วถ้าจริงเราถูกให้ฟื้นขึ้นเพื่อกําเนิดใหม่อีกหรือ كن كونوا حجاره او حديدا وَمَا أَنْتُمْ بِخَالِقِ الْحِجَارَةِ وَلَا الْحَدِيدِ فَكَيْفَ تُؤْمِنُونَ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي قَدْ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا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 ไหลเข้ามาแล้ว يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتذنون الا بثم الا قليلا วันที่พระองค์จะทรงเรียกร้องพวกเจ้าและพวกเจ้าจะตอบสนองด้วยการสรรเสริญพระองค์และพวกเจ้าจะนึกว่าไม่ได้อยู่ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا ชัยตอนนั้นเป็นศัตรูที่ชัดแจ้งของมนุษย์รบุกุนอะอฺลัมบิคุมอินยะชออิรฮัมคุมอาวอินยะชออัซซิบคุมวะมาอรสัลนากะอะลัยฮิมวะกีลาพระผู้บานของพวกเจ้าทรงรู้จักพวกเจ้าดียิ่งหากพระองค์ทรงประสงค์พระองค์ก็จะทรงเมตตาพวกเจ้าหรือหากพระองค์ทรงประสงค์ พระองค์ก็จะทรงลงโทษพวกเจ้าและเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเป็นผู้คุ้มครองพวกเขาแต่ประการใดวะร็บบุกอะอฺลัมบิมาฟิสสะมาวาติวัลอัรฎวะละกอดฟัดดัลนาบะอฺดันนะบีนาอะลาบะอฺฏินวะอาตัยนาดาวูดซะบูรอและพระผู้บานของเจ้าทรงรู้ดียิ่งถึงสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน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 พวกมันไม่มีอำนาจที่จะปลดเปลื้องความทุกข์ยากและเปลี่ยนแปลงมันจากพวกเจ้าได้อัลลออิกัลละซีนยัดอูนยับตากูนอิลาร็อบบิฮิมุลวะซีละอัยยุมอักรอบวะยัรญูนเราะห์มะตุฮูวะยะคาฟูนอะซาบะฮ์อินนะอะซาบะร็อบบิกะกาลมะห์ดูรอนอัลอฎีฟุคาวเรียกว่าเป็นพระเจ้านั้น พวกมันก็ยังหวังว่าจะหาทางเข้าสู่พระผู้อภิบาลของพวกมันว่าผู้ใดในหมู่พวกมันจะเข้าใกล้ที่สุดและพวกมันยังหวังในความเมตตาของพระองค์และกลัวการลงโทษของพระองค์ถ้าจริงการลงโทษของพระผู้อภิบาลของเจ้าควรน่าระวัง وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا لَا مَيْ مِي หมู่บ้านใดเว้นแต่เราเป็นผู้ทําลายมันก่อนถึงวันปรโลกหรือเป็นผู้ลงโทษมันอย่างซากนั่นมันได้ถูกบันทึกไว้แล้วในแผ่นบันทึก وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرسِلَ بِالآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودًا نَاقَةً مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُبْسِلُ بِالآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا مَايْ <تصفيق> مِي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 وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ولخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا لا تงรำลึก ถึงเมื่อเรากล่าวแก่เจ้าว่าแท้จริงพระผู้พิบาลของเจ้าทรงรอบรู้ในเรื่องของมนุษย์ และเราไม่ได้ทําให้การฝันซึ่งเราได้ให้เจ้าเห็นเพื่ออื่นใดเว้นแต่เพื่อเป็นการทดสอบแก่มนุษย์และเพื่อให้กลัวต้นไม้ที่ถูกสาปในอัลกุรอานและเราได้ทําให้พวกเขาหวาดกลัวดังนั้นมันไม่ได้เพิ่มสิ่งใดแก่พวกเขา นอกจากการดื้อรั้นมากขึ้นวะอิซกุลนาลิลมาลาอิกะอิสญุดูลีอาดัมะฟะสัจญะดูอิลลาอิบรีสกอลอัสญุดูลิมันคอละกตุตีนานและจงรำลึกถึงเมื่อเรากล่าวแก่มะลาอิกะว่าจงคารวะต่ออาดัมและพวกเขาได้คารวะเว้นแต่อิบรีสมันกล่าวว่า ฉันจะเคารพต่อผู้ที่พระองค์ทรงสร้างมาจากดินกระนั้นหรือ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَٰذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِن أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا มันกล่าวว่าพระองค์ทรงเห็นแล้วไม่ใช่หรือเขาผู้นี้ที่พระองค์ทรงให้เกียรติมากกว่าฉัน หากพระองค์ทรงโปรดประวิงเวลาให้แก่ฉันจงถึงวันปรโลกแน่นอนฉันจะทําลายล้างลูกหลานของเขาให้หมดสิ้นเว้นแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นกอลัซฮะบะฟะมันตะบิอะกะมินฮุมฟะอินนะญะฮันนัมมะจซาอุกุมญะซาอามมอฟูรอพระองค์ตรัสว่าเจ้าจงไปให้พ้นดังนั้นผู้ใดในหมู่พวกเขาปฏิบัติตามเจ้า ให้ถึงนรกเป็นการตอบแทนของพวกเจ้าซึ่งเป็นการตอบแทนที่สมบูรณ์ยิ่งวัสตัซซิซนานิสตะอ์ตะมินฮุมบิซอติกะวะอัจลิบอะลัยฮิมบิไคลิกะวะรัจลิกะวะชาริกุมฟิลอัมวาลิวัลเอาลาบิวะอิดะฮุมวะมายะอิดุมุชชัยฏอนอิลลาฆุรุรอนละเจ้าจงยั่วยวนผู้ที่เจ้าสามารถทําให้เขาหลงไหลในหมู่พวกเขา ด้วยเสียงของเจ้าแล้วชักชวนพวกเขาให้เห็นพ้องด้วยด้วยม้าของเจ้าและด้วยเท้าของเจ้าและจงร่วมกับพวกเขาในทรัพย์สินและลูกหลานและจงสัญญากับพวกเขาและชัยฏอนมิได้สัญญาใดๆแก่พวกเขานอกจากเป็นการหลอกลวงเท่านั้นอินนาอิบาดีไลซะลกอะลัยฮิมซุลฏอนุนวะกะฟาบิร็อบบิกะวะกีลา ถ้าจริงพวงบ่าวของข้านั้นเจ้าไม่มีอำนาจใดๆเหนือพวกเขาและพอเพียงแล้วที่พระผู้บานของเจ้าเป็นผู้คุ้มครองรบุกุมุลลซีลลากุมุลฟุลกะฟิลบะห์รลิตับตะกุมินะฟะฎลิฮิอินนะฮูคานะบิคุมระฮีมาพระผู้บานของพวกเจ้าเป็นผู้ส่งให้เรือแล่นไปในทะเลเพื่อพวกเจ้าจะได้แสวงหาความโปรดปรานของพระองค์ พระองค์เป็นผู้ทรงเมตตาแก่พวกเจ้าเสมอว่าอิซามัสซะกุมุดดุรบฟิลบะห์รดัลละมันตะดะอูนอิลลาอิยาะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะ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 พวกเจ้าจะปลอดภัยหรือาพระองค์จะส่งให้ริมฝั่งนั้นทะล่มลงไปกับพวกเจ้าหรือจะทรงส่งส่งลมหอบกวดกระหน่ำลงมาใส่พวกเจ้าแล้วพวกเจ้าก็จะไม่พบผู้ใดเป็นผู้คุ้มครองพวกเจ้าเลย ام ام انتم ان يعيدكم فيه تاره اخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ما لا تجدوا ثم ما لا تجدوا لكم ما علينا به تبيعا or พวกเจ้าจะปลอดภัยหรือหาพระองค์ทรงนําพวกเจ้ากลับไปในทะเลอีกครั้ง แล้วส่งลมพายุร้ายกระหน่ำพวกเจ้าแล้วให้พวกเจ้านั้นจมน้ําตายเพราะพวกเจ้านี่แหละหลังจากนั้นพวกเจ้าก็จะไม่พบผู้ใดแก้แค้นแทนล่ะวะละกอดินกัลซอมนาบะนีอาดัมวะหะมัลนาฮุมฟิลบะรริวัลบะห์ริวะรซักนาฮุมมินัตตอยยิบาตวะรซักนาฮุม মিন الطيبات وفضلناهم على كثير ممن مم خلقنا تقديلا لا دون แน่นอนเราได้เกียรติแก่ลูกหลานของอาดัมและเราได้บรรทุกพวกเขาทั้งทางบกและทางทะเลและได้ให้ปัจจัยยังชีพที่ดีทั้งหลายแก่พวกเขาและเราได้พวกเขาดีเด่นมีเกียรติเหนือกว่าผู้ที่เราได้บังเกิดมาเป็นส่วน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 เขาหลังนั้นก็จะได้อ่านบันทึกของพวกเขาโดยที่พวกเขาจะไม่ถูกอาถรรพ์แม้แต่น้อยวะมันกานฟีฮาซิฮีอะมาฟะฮุวะฟิลอาคิเราะฮ์อะมาวะอะฎัลซะบีลาแล้วผู้ใดหัวใจบอดในโลกนี้ดังนั้นเขาก็จะบอดในปรโลกด้วยและจะหลงทาง yang kali ni wa ikadula yaftinunuka alil ladhi awhayna ilayka litaftari alayna ghayrahu wa idhan lattakhaduk khalila laha qawa phuak khao cha tham hai chao long pai chak thi rao dai hai ong kan kae chao phuea chao cha dai ku sing eun khuen kae rao la muea nan la phuak khao ko cha khop chao pen phuen salit ولولا ان ثبتنا لقد كنت تركن اليهم شيئا قليلا لاكوا لم يدئเจ้า تاسن مئن يون كمجيد اذا لذقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا เพราะฉะนั้นแน่นอนเราก็จะให้เจ้าลิ้มรสการลงโทษเทเท 2 เท่าในชีวิตนี้และ 2 เท่าเมื่อยามตายและเจ้าจะไม่พบผู้ช่วยเหลือใดๆแก่เจ้าให้รอดพ้นจากการลงโทษของเราได้ว่าอินกะดูลิสตัฟซูนกะมินอัลอัรฎิลิยุคริจูกะมินฮาวะอิซัลลายัลบะซูนคิลาฟกะอิลลากะลีลาละหาพวกเขายุแย่ให้เจ้าออกไปจากแผ่นดิน เพื่อขับไล่เจ้าออกไปและเมื่อนั้นพวกเขาจะไม่พำนักอยู่นานหลังจากเจ้าออกไปแล้วเว้นแต่ชั่วระยะเวลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นซุนนะตมันกัดอบซัลนากับละกะมุรซุลนาวะลาตะญิดลิซุนนะตินาตะห์วีลานี่คือแนวทางของผู้ที่เราได้ส่งเขามาก่อนหน้าเจ้า และจากบรรดาศาสนทูตของเราและเจ้าจะไม่พบการเปลี่ยนแปลงในแนวทางของเราแต่ประการใดตะกิมิสศอลาตะลิดลูกิชชัมซอิลาวัสกิลไลลวกุรอานัลฟัจรอินนกุรอานัลฟัจรกานามัชฮูดาเจ้าจงปฏิบัติละหมาดตั้งแต่ตะวันคล้อยจนพบค่ำและการอ่านยามรุ่งอรุ ให้ดํารงการอ่านยามรุ่งอรุณนั้นเป็นพยานยืนหยันเสมอวะมินัลไลลิฟะตะฮัจญัดบิฮีลาฟิละตัลละกะอะซาอันยะบะอะษะกะร็อบบุกะมะกอมันมะห์มูดาและจากบางช่วงของกลางคืนเจ้าจงตื่นขึ้นมานมาดเป็นการสมัครใจสําหรับเจ้า หวังว่าพระผู้อภิบาลของเจ้าจะทรงให้เจ้าได้รับตําแหน่งที่ได้รับการส่งเสริมขอ ربบี อดคิลลีมุดคอลซิดกิวาอัคริจนีมุคเราจซิดกิวาจอัลลีมินลัดกะซุลตานันนอซีราและจึงกล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันได้โปรดนําฉันเข้าตามทางเข้าที่ชอบธรรม และได้โปรดนําฉันออกตามทางออกที่ชอบธรรมและโปรดให้ฉันมีอํานาจที่เข้มแข็งซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากโปรด